2. กายและใจเป็นของหนักวงเล็บเปิด 8. มิถุนายน 2,551 นาในวงเล็บสองจุดจุดนาที28วงเล็บปิดใจเราเนี่ยนะมีตัณหาเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่มีตัณหาจิตจะถูกเค้นเค้นเค้นเค้นสิ่งใดถูกเค้นสิ่งนั้นต้องเครียดแน่สิ่งนั้นต้องทุกข์แน่ฉะนั้นใจเราแต่ละคนนะเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะมันถูกเค้นมันเค้นจริงๆนะมันมีอาการเค้นจริงๆ มันบีบคั้นกดดันเป็นทุกข์เห็นไหมกายก็เป็นของหนักนี้ก็เห็นถูกจิตใจก็มีภาระจิตใจเป็นของหนักจิตใจเป็นทุกข์จิตใจถูกบีบคั้นการที่เราจเจริญสติอยู่ทั้งวันเราเห็นกายเห็นใจในสภาวะที่ว่านี้ใช้ได้นะ